ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านยังคงจําผมได้ไอ้เรื่องยังไงล่ะครับไอเรืองลูกบ้านมาโพหลานตาแม้นเยโชมและบ้านใกล้ชิดหรือเรียกว่าบ้านเรือนแทบติดกันก็คือเรือนลุงโนดป้ากระออมและเจ้าแฝงลูกสาวของแกรวม3มคนส่วนเรือนผมก็3คนด้วยกันตายายแล้วก็ผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่พุกเป็นหลานตาแล้วก็ยายโดยตรงได้รับราชการทหารพ้นมาแล้วมารวมอยู่เป็น4ี่คน บัดนี้ไอเรื่องของท่านอายุเข้าหนุ่มแล้วเต็มตัวถูกเกณฑ์ทหารครั้นไปคัดเลือกกลับหลุดพ้นมาได้จึงกลับมาอยู่บ้านตายายของผมเห็นว่าตัวน่ะแก่แล้วก็เลยจัดการทำมรดกแบ่งทรัพย์สินสมบัติให้ลูกหลานแล้วโดยเรียบร้อยพี่พุกเป็นหลานโดยตรงพ่อตายแม่ไปมีสามีใหม่พี่พุกได้รับมรดกเต็มที่ทุกอย่างเป็นสมบัติของพี่พุกไรนาสาโทบ้านช่องเงินทอง แต่ว่าผมนี่สิครับเป็นหลานห่างๆพ่อแม่ผมก็ไม่ใช่ลูกของตาของยายโดยตรงผมก็เลยจัดเป็นหลานห่างๆพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วตายายก็เลี้ยงมาจึงได้ส่วนแบ่งตามที่เมตตาได้แบ่งที่นาผืนน้อยๆหนึ่งแปลงพอทำเลี้ยงท้องไปได้ถ้าขยันจริงๆส่วนเงินก็ได้แบ่งมาบ้างเล็กน้อยก็จัดเป็นว่ามีพระคุณอย่างล้นเหลือสาหรับลูกที่ไม่มีพ่อมีแม่ บัดนี้ที่บ้านมาโพเป็นเวลาดึกแล้วทุกคนในบ้านหลับกันอย่างสบายแต่ว่าผมยังไม่หลับอยู่คนเดียวนั่งอยู่ที่นอกชานในความมืดคิดถึงชะตาชีวิตที่ผ่านมาและชะตาชีวิตที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเรื่องวิชาทางหนังสือน่ะครับคนบรรนอกคอกนาอย่างผมเนี่ยจะไปเอาอะไรกับมันมากมายได้อ่านออกเขียนได้ก็พอแล้ว ครั้งหนึ่งนักเกียรติย่าห่างๆแกไปเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่กรุงเทพแกก็เคยขอผมกับตายายไปอยู่กรุงเทพด้วยเพื่อจะชุบตัวให้เป็นคนเจริญแต่แล้วนักเกียรติก็ไปหลงการเมืองเล่นการเมืองจนถูกแอบฆ่าตายอย่างลึกลับผมเองก็ต้องกลับมาคลุกคลีอยู่กับวัวควายที่ท้องไร่ท้องนาตามเดิมจนบัดนี้ พรุ่งนี้แต่เช้ามืดผมมีหน้าที่ที่จะต้องเดินทางไปที่ทุ่งบางสะแกเพื่อนำบัตรแต่งงานระหว่างพี่พุกกับนางสาวแฟงลูกของลุงโนดป้ากระออมไปส่งให้วงญาตในย่านนั้นทั้งหมดพอนึกถึงตรงนี้ใจผมมันปวดร้าวเหมือนมีแผลกลัดหนองอยู่แม่สาวแฟงนี้เมื่อแต่เล็กนั้นเขากับผมเหมือนเรือที่ขาดภายไม่ได้เราเลี้ยงควายมาด้วยกันจนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ผมขาดหายไปไหนเจ้าแฟงจะแอบร้องไห้เพราะว่าผมโดยมีใจตรงกันว่าเรารักกันหากแต่ว่าเราทั้งคู่ยังเพียงรุ่นกระเตาะจึงพูดว่ารักกันนั้นมีบางควรสําหรับบางผมเกิดเขาไม่นิยมหนุ่มสาวที่สุกงอมเพราะตากแดดเราทั้งสองจึงต่างเก็บคําว่ารักกันไว้เพียงในใจ แต่ครั้นพี่ฟุกออกจากทหารมาน่ะสิครับเรื่องมันก็ผันแปร ى, แม่แฟงเกิดไปสนิทสนมกับพี่ฟุกเพราะว่าเขาสวยเก๋ฉเฉลียวฉลาดพูดเก่งเมื่อมันเป็นไปเช่นนี้ผมก็พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าแต่เดิมมาเราสองคนไม่ได้พูดกันสัแต่แรกประกาศกันซะก่อนว่าเรารักกันนะเราจะรักใครอื่นไม่ได้นอกจากแม่แฟงจะต้องรักนายบุญเรืองแล้วก็นายบุญเรืองต้องรักแม่แฟง เหตุก็แปะว่าเกิดจากว่ามัวก้มหน้ารอเวลาอายุครบเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ครั้นเป็นสาวขึ้นแล้วพิพุกหนุ่มรูปงามเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งด้วยหลักฐานฐานะก็เข้ามาแทรกแม่แฟนก็แปรไปผมจะตัดพ้อต่อว่าได้อย่างไรไม่ทราบจะเอาคําไหนมาต่อว่าเขาได้ผมมันหมดหนทางที่จะตั้งสํานวนพูดซะจริงเพราะว่าไอ้ฐานะอันแท้จริงมันก็ชัดเจนอยู่ผมมันหลานกาฝากมีฐานะคล้ายกับควายที่เขาเลี้ยงไว้ ฐานะไม่มีจะอ้างรูปร่างก็ไม่ส่งเสริมคำพูดก็ไม่มีเสน่ห์จะพูดได้ก็ตรงไปตรงมามันก็หมดท่าเดี๋ยวนี้ทางตาแล้วก็ยายได้ไปสู่ขอเจ้าแฟงกับลุงโนดป้ากระออมแล้วทางฝ่ายหญิงก็ยินดีก็ฝ่ายชายมีหลักมีฐานผมมันก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหมดที่จะคิดแล้วก็มีสุขใจสุขกายได้ แต่เดิมคิดว่าเมื่อพ้นทหารมาแล้วก็จะขอบทเรียนให้หมดหน้าที่ลูกผู้ชายแล้วจะขอความเมตตาต่อยายของเจ้าแฟงให้เป็นคู่ผัวตัวเมียก้มหน้าก้มตาไปทำนาตามพื้นเพเดิมเลิกคิดไปเอาดีแต่เด่นในกรุงเทพแต่ว่าบัดนี้ไอเรื่องก็หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่โทษใครทั้งนั้นไม่โทษพี่พุกไม่โทษเจ้าแฟงผมมันผิดเองที่รู้เท่าไม่ถึงการมัวเคร่งคติโบราณจนถือว่า ชักช้าไม่ทันงานไม่ทันการทีน่นี้ในชั่วโมงนี้เนี่ยผมก็กําลังตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในชีวิตว่าไอ้เรื่องผู้มีหัวใจระบมเนี่ยจะต้องอําลาจากที่ที่เคยเกิดเคยมุดหัวนอนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจากตาจากยายผู้มีพระคุณล่นเกล้าผมทนไม่ไหวจริงๆท่านที่เคารพทนเห็นหญิงที่เคยมั่นหมายไว้นานแสนนานไปเป็นของเขาอื่นได้จะทนดูเขามีความสุขกันในชายคาเรือนเดียวกับที่ผมต้องมุดหัวอยู่อีกต่อไปไม่ไหว เอเออืยถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวเท้าจากไปตามยถากรรมพรุ่งนี้เช้ามืดก็ออกเดินทางไปส่งบัตรแต่งงานเขาก็เลยพนเจนจรไปเลยแล้วถึงจะมีจดหมายมากระดับเท้าตากับยายเพื่อที่จะลาท่านพาเจนจรไปเสี่ยงโชคถ้าบุญยังมีจะกลับมากระดับเท้าท่านอีกผมนึกมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องร้องไห้คนเดียวในความมืดหันมามองดูเรือนเจ้าแฟงด้วยน้ําตาเห็นมืดตื้อไปทางบ้านเขาก็คงหลับกันอย่างสบาย พรุ่งนี้เช้าแล้วเจ้าแฟงเอย๋ยไอ้เพื่อนที่เคยเลี้ยงควายกับเองจะจากไปแล้วเองไม่รู้ไม่เห็นอะไรหรอกว่าข้าเป็นอย่างไรในครู่นั้นเสียงพระเคาะระฆังผมจึงสะดุ้งนี่มันจวนสว่างแล้วหรือผมเผลอนั่งอยู่โดยม่ได้หลับนอนเป็นเวลาที่ผมจะต้องปลุกตาปลุกยายขึ้นสวดทำวัดเช้าตอนนั้นก็จะเข้าครัวหุงข้าวตามที่เคยช่วยยายทําส่วนพี่พุกนั้นผมไม่เคยกวนเขาเลยอันนีจาผมจะทิ้งตายายไปแล้ว สิ่งที่เคยทำให้ยายยายจะต้องทำเองต่อไปผมร้องห้อีกแทบจะสำลักเป็นเลือดออกมาพยายามสงบใจอยู่เป็นครู่แล้วก็เช็ดน้ำตาให้แห้งแล้วเข้าปลุกตากับยายให้ตื่นผมได้จัดดอกไม้ทูบเทียนเตรียมไว้พร้อมแล้วที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็บ่ายหน้าเข้าครัวผมเที่ยวแจกบัตรจนทั่วในวงญาติในทุ่งบางสะแกแล้วก็เลยไปบ้านพินพาดซึ่งก็เป็นญาติกัน เพื่อที่จะส่งบัตรแล้วก็จดหมายของตาให้ทางวงดนตรีวงนี้เขาได้จัดมโหดีไปกล่อมหอตามความกำหนดในบัตรนี้ แต่บังเอิญพินพาดวงนี้ไปประคมศพที่วัดสแกโดยธรรมเนียมนิยมที่บางนั้นถ้าใครตายลงสวดสามคืนแล้วจะนำศพไปสวดที่วัดอีกประคมกันไปจนดึกพอรุ่งขึ้นก็รีบเผาถือเป็นการหมดห่วงไม่ทิ้งศพไว้ให้ยุ่งยากมีห่วงในวันหลังผมก็เลยตามไปอยู่กับเขาที่สาลานั่นเองกินข้าวกับเขาด้วยเลยเดี๋ยวนี้ผมชักจะดื่มเหล้าเป็นบ้างแล้วหัวใจมันปวดร้าวอยู่ภายในก็กินมันดับลงไป มันเป็นการกินเหล้าของคนที่รู้ตัวว่าต่อไปนี้ตัวเองไม่มีปู่มีญาตายายแล้วจะต้องปกครองตัวเองและจะต้องมุ่งหน้าไปตามยะถากรรมพยายามเขียนจดหมายกระดาบลาตายายแล้วก็ฝากกับนายวงดนตรีที่เขาจะไปพบตากับยายและผมก็จะพาเนจรไปกับเพื่อนคนใหม่ที่รู้จักกันที่นั่นพวกเขาเป็นพวกลิเกหากินเร่ร่อนพอดีเข้ามาเยี่ยมในพินพาธ ท, ที่นั่น เราดื่มเหล้าด้วยกันและผมก็ระบายความคับข้องใจที่ระบมในเรื่องความรักนี้รักออกจากบ้านแพเนจรไปโดยที่ไม่มีจะมุดหัวนอนอาศัยเพื่อนคนนั้นชื่อปุ๋ยเขาก็ชักชวนให้ผมไปหากินทางลิเกร่อนเร่กันไปด้วยช่วยทํางานโยธาไปก่อนแล้วคงหัดเล่นลิเกได้ผมมันคนหมดหนทางอยู่แล้วก็รับคําขานคําชวนของพ่อปุ๋ยไปพ่อปุ๋ยได้นําผมเดินทางไปหัวรอเพราะว่าคณะอยู่ที่นั่น เขาจะได้ฝากผมเข้าช่วยงานโยธาพอได้อาศัยข้าวสุกไปก่อนกว่าทางคณะจะเมตตาหยิบยื่นให้บ้างโต้โผใจดีก็รับผมไว้ผมก็เลยกลายเป็นคนของคณะลิเกเร่ร่อนนั้นไปอีกสองวันคณะลิเกนี้จะจัดเล่นกันที่วัดพนันเชิงซึ่งก็เป็นงานเล่นแก้บนที่เจ้าภาพเข้าบนหลวงพ่อไว้แล้วก็ได้ผลสำเร็จผมจึงเป็นกองโยธาขนเครื่องขนฉากทั้งหมดลงเรือ พ่อปุ๋ยเป็นพระรองหรือพระเอกตัวที่สองของคณะนี้ผมก็เลยมีน้ำหนักอยู่บ้างในคณะนี้ครั้นถึงวันกำหนดจะแสดงทางคณะเกิดกลุ้มใจที่นายกระจางตัวพระเอกไปเยี่ยมญาติป่วยหนักที่บางปะหันว่าจะรีบกลับให้ทันเวลาแสดงทางคณะปลูกโรงติดฉากรอคอยอยู่ก็ยังไม่เห็นมาตกเย็นก็ยังไม่มาตัวนางเอกผู้เป็นหลานโตโผก็บ่นแล้วก็แสดงถึงความกังวลว่า ตัวของเขาและก็พระเอกคนนี้เนี่ยเล่นแล้วก็ถูกขากันมากกว่าใครอื่นก็เลยจะบ่นหนักกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเป็นตัวชูโรงของคณะนี้ในอู่โต้โผบ่นจนหน้าเมื่อยนั่งกอดเข่าซึ่งพอได้เวลาผิดพาดก็โ h o โรงสาธุการพระเอกก็ยังไม่มาพบปุ๋ยเพื่อนใหม่ของผมจะต้องเลื่อนขึ้นเป็นพระเอกแทนในคืนนั้นผมสังเกตว่าตัวนางเอกไม่ค่อยจะพอใจนัก แต่งตัวไปชงเงื้อคอคอยนายกระจ่างไปในอูโต้ผูรู้ใจหลานสาวแล้วก็ได้พูดปลอบใจนางเอกหลานสาวต่างๆนานาทั้งปลุกปลอบพ่อปุ๋ยของผมให้พยายามทําหน้าที่ให้สมกับตําแหน่งพระเอกในคืนนี้ให้จงได้ในระหว่างที่วุ่นวายกันนั่นเองนายกระจ่างพระเอกก็กระหืดกระหอบมาแล้วรีบเข้าผัดหน้าแต่งตัวนางเอกดีใจจนน้าตาไหลพ่อปุ๋ยมองเห็นแล้วก็หน้าจอยเลย ทุกคนต่างดีใจล้อมหน้าล้อมหลังในกระจ่างทุกคนพ่อปุ๋ยก็ยิ้มหน้าเศร้าผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าพ่อปุ๋ยของผมเนี่ยติดเนื้อต้องใจนางเอกอยู่แต่แม่รูปงามของหลานโตโผลเนี่ยดูจะเต็มใจเต็มเปี่ยมกับนายกระจ่างพระเอกมากกว่าผมหายใจสะท้อนมาเห็นเช่นนี้เข้าก็นึกถึงตัวเองที่เร่ร่อนมาก็เพราะว่ารักเขาข้างเดียวจึงต้องระกำพวกนางรองมาก็พอจะดูในจนายกตาจ่างทั้งนั้น เมื่อเห็นพ่อปุ๋ยหน้าเศร้าก็ชักจะมียิ้มยิ้มแล้วก็ถากถางกันอย่างเครื่องเล่นเครื่องจริงเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผมเลยแต่ว่าเดือดใจแทนพ่อปุ๋ยเพราะว่าพ่อปุ๋ยเสมือนผู้อุปถัมภ์ของผมใจผมอยากจะเข้าไปเตะกันคนละโครมสองโครมยิ่งแม่พวกผู้หญิงด้วยแล้วแล้วก็อยากเตะให้หนักในคืนนั้น คณะลีเกของพวกเราก็ได้แสดงกันไปเรื่อยๆจนจบเรื่องแม้แต่จะหมางๆกันอยู่บ้างบางเอื่นพ่อปุ๋ยไปอยู่คนละข้างกับพระเอกออกมาแสดงโต้คารมกันเจ้าพวกเสนาก็ช่วยพระเอกพูดเล่นในเรื่องแต่มีกระทบกระเทียบเจ็บๆอยู่หาคะแนนฮาไปด้วยในตัวพ่อปุ๋ยก็ตอบแรงๆเหมือนกันคนดูไม่รู้เรื่องภายในก็พากันชมว่าเล่นถึงใจพูดจากันเด็ดเผ็ดร้อนดีแต่จะอย่างไรก็ตามการแสดงก็ได้จบลงไปด้วยดี พอเลิกแล้วเจ้าภาพก็เลี้ยงอาหารคาวหวานเป็นอย่างดีพ่อปุ๋ยของเรานี่กินไม่ลงเพราะว่าถูกถากถางมากก็ขุนใจนั่งห้อยเท้าอยู่หน้าเวทีขรึมดื่มเหล้าเงียบๆผมสงสารพ่อปุ๋ยจับใจเมื่อมันเป็นเช่นนี้พ่อปุ๋ยจะมันเล่นมันทําไมไอ้ยี่เกย์คณะนี้ไปหาคณะอื่นไม่ได้รึนายก็จะจางหัวเราะร่วนกินอาหารเสร็จแม่นางเอก เอาชามไปล้างให้แล้วก็เอาของหวานมาป้อนดูท่าทางกระจุมกระจิม๋มเหมือนกับว่ากำลังแสดงอยู่กระดนั้นพอปุ๋ยดื่มเหล้าอีกแล้วกระแทกก้นแก้วลงกับพื้นเสียงดังผิดหูนายกระจ่างชำเลืองตาดูพวกผู้หญิงก็หัวเราะคิกคักนายกระจ่างโดดลงจากเวทีไปเดินวนอยู่ที่พื้นดินแล้วก็ขากน้ำลายถุยสองสามครั้งทากิริยาแปลก ผมเพิ่งจะนึกรู้ตัวว่าพระเอกกับพระรองเนี่ยมีเรื่องภายในกันอยู่เพราะแต่หัวค่ามาไม่เห็นก็พูดอะไรกันเลยเพ่อปุ๋ยยกเหล้าดื่มอีกทีแล้วก็กระแทกแก้วลงอีกนายกระจ่าง ก, ก็หัวเราะแล้วก็ถุยน้ำลายฉับพลันทันใดนั่นเองเหมือนฟ้าแลบลงมาเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคิด พ่อปุ๋ยได้โดดลงจากเวทีไปถึงตัวในกระจางแล้วเงื้อมือประเคน ล, ลงไปที่ในกระจางที่ตรงนั้นมันมืดบ้างสว่างบ้างผมมองไม่รู้ว่าพ่อปุ๋ยทําอะไรในกระจางครั้นแล้วร่างกายในกระจาจงจะดุ้งเฮือกและล้มกลางดินพ่อปุ๋ยยืนดูหน่อยนึงแล้วก็ออกวิ่งไปชายแม่น้ําหน้าวัดแล้วโดดน้ําไปในความมืดทุกคนบนเวทีตกใจต่างโดดลงไปยังพื้นดินเข้าประคองในกระจางพวกผู้หญิงแผดร้องเสียงหลง กรีดกราดกันระเบีเสียงแซ่ตํารวจคุมงานก็วิ่งเข้ามาใครๆก็ไม่คิดไม่นึกว่าเหตุการณ์อะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นผมก็วิ่งเข้าไปดูเหมือนกันทุกคนร้องกันเสียงหลงเมื่อเห็นเหล้าทองเหลืองสั้นๆแทงจมอยู่ที่ไหปละร้านายกระจ่างในอูตโตโ้โผแข็งใจชักเหล้าทองเหลืองออกเสียงลมหายใจในกระจ่างรั่วออกจากแผลดังฟูดฟดูเลือดตกนายไม่ไหลออกมาเลยเสียงผู้หญิงร้องไห้โฮกัน ตำรวจยืนงนันหันหน้าไปทางแม่น้ำเมื่อกี้เห็นกับตาว่าพ่อปุ๋ยโดดน้ำหนีไปแล้วจะมีทางอะไรเล่าจะตามทันทั้งผู้ที่โดดลงไปในน้ำที่กำลังแรงตรงหน้าวัดพนันเชิงใครๆก็ดูว่าร้ายแค่ไหนผู้โดดลงไปตายเป็นก็เท่ากันผมพูดอะไรไม่ออกเพิ่งจะไปอยู่ก็เลยไม่คุ้นกับใครผมตกใจจนปอดเลยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นการฆ่าต่อหน้าครั้งนี้เอง ยืนงงมองคนโน้นทีคนนี้ทีจะเข้าช่วยพยาบาลคนเจ็บเขาก็มีกันเต็มแล้วต่างก็ประคับประคองกันแน่นอาการของนายกระจ่างนี่ปางตายซะแล้วพูดไม่ได้ตาเหลือกลานตัวอ่อนปวกเปียกส่วนตัวของผมเนี่ยมันเข้าตาร้ายก็เพราะว่าเป็นคนของพ่อปุ๋ยเข้าเกณฑ์ไม่ดีใครๆต่างมองผมอย่างทายไม่ออกว่าเขามองแล้วคิดอย่างไรผมเข้าใครไม่ติดพ่อปุ๋ยหนีไปแล้วพ่อปุ๋ยเป็นผู้ประถมของผม ผมจะต้องเป็นเทวดาจรต่อไปผมจะอยู่กับใครได้ในคณะนี้ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายตีนของผมทุกคนซ้ำร้ายยังเป็นพวกของพ่อปุ๋ยตัวผู้ราอีกด้วยหลายคนในคณะได้หมในายกระจ่างขึ้นพยาบาลบนศาลาใหญ่ผมไม่กล้าตามขึ้นไปกับเขาจึงกลับมานั่งอยู่บนเวทีงัดเอาเหล้าออกมาดื่มดับกังวลใจหันหลังพิงเตียงที่แสดงหัวใจว้าวุ่นเหลือเกิน ในอูโตโผกลับลงมาจากศาลาใหญ่โดดขึ้นมาบนเวทีหันมองดูผมแวบหนึ่งแล้วก็หันหลังให้ห้อยขานั่งที่ขอบเวทีมีกิริยากลุ้มอกกลุ้มใจท่าทางของโตโผทำให้ผมสะดุ้งใจที่เขาหันดูผมแวบเดียวแล้วก็หันหลังให้เหมือนไม่อยากเห็นหน้าผมคล้ายกับว่าผมเนี่ยเป็นตัวเสียดหรือเป็นพรรคพวกของผู้ร้ายที่ทาร้ายกับพระเอกของคณะที่มีคนรักทั้งคณะผมก้มหน้าคิด ผมจะอยู่กับเขาชั่วคืนนี้เท่านั้นก็จะร่ำราไปแต่ว่าคืนนี้มันดึกซะแล้วไม่รู้ว่าจะไปแห่งใดทันใดก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้โฮขึ้นอีกบนศาลาใหญ่ทั้งผมแล้วก็ในอู๋ต่างมองไปทางเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเสียงที่แสดงว่าในกระจ่างไม่มีทางรอดซะแล้วตัวตลกคนนึงวิ่งตรงมาหาในอู๋นายครับนายพี่จางขาดใจซะแล้วครับพอผมได้ยินคาว่านายกระจ่างขาดใจตายซะแล้ว ผมเสียวปราบขนลูกสู้เพราะว่ามันปอดรออยู่ก่อนแล้วพอรู้ว่าตายแน่ปอดกระเซาเลยบอกตรงๆว่าผมกลัวจนสุดขีดกลัวผีนกระจ่างขึ้นมาทันทีเพราะว่าผมเป็นเพื่อนกับคนฆ่านกระจา่างผีนายกระจ่างต้องเล่นงานผมเป็นแน่ในอูตโตโผโดดลงจากเวทีวิ่งขึ้นศาลาเพื่อดูศพนกระจา่างผมเลยนั่งอยู่คนเดียวรู้สึกหนาวสะท้ า, าน คืนนี้ผมจะทําประการใดจะเข้าใกล้ใครให้พออุ่นใจก็ทําไม่ได้เพราะไม่คุ้นเคยกับใครทั้งนั้นโต้โผใหญ่จัดการผ้าคลุมหน้าศพแล้วก็ต้อนพวกผู้หญิงกลับมาโรงแสดงส่วนศพนั้นทางตำรวจเฝ้าอยู่ผมได้ยินเสียงพวกที่เดินกลับมาโรงแสดงพูดกันเบาๆแต่ยังสอดหูได้ยินพี่จางตาค้างอะ่ะหลับไม่ลงเลยผมเสียวเข้าไปในปอด ตัวโต้โผรู้ดีว่าพวกผู้หญิงจะกลัวผีจึงสั่งลูกน้องให้จุดตะเกียงตลอดคืนพวกตัวตลกแล้วก็ตัวเสนาช่วยกันรื้อฉากปล่อยให้โล่งโถงมองเห็นกันถนัดไม่มีการปิดบังให้เกิดความกลัวผมรู้สึกว่าเข้าทีดีมากพวกผู้หญิงไม่ได้อาบน้ําเลยทุกคนเข้าจับกลุ่มนั่งเงียบตรงกลางพวกผู้ชายนั่งล้อมรอบต่างคนต่างมองขึ้นไปบนศาลามองเห็นศพนอนหงายผ้าคลุมอยู่ เมื่อเหตุดังนี้ตำรวจ2คนก็กลับสถานีไม่ได้ต้องเฝ้าศพจนกว่าจะมีการสอบสวนแล้วเสร็จแต่เขาสองคนถอยห่างไปนั่งคนละมุมกับศพแอบเอาเหล้าที่เจ้าภาพให้ดื่มพอใจชื้นส่วนผมนั้นเหมือนนั่งใบเงียบเข้ากับใครไม่ได้ได้แต่เอาเหล้าเป็นเพื่อนแต่ว่าในครู่นั้นเองก็มีตัวเสนาตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาผมมีขวดเหล้าถือติดมือมาด้วยไงผมกําลังใจลอยถึงกับสะดุง้งหรือจะว่ายังไงละ่ะเพื่อนลื้อหนีไปแล้วอ่ะ เาพูดแล้วก็นั่งลงเกลียกลผมจ้าตัวฉันเองเนี่ยก็หมดปัญญาหมดหนทางจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนผมตอบไปด้วยใจจริงนายคนนี้ใครๆเรียกว่านายผู้ใหญ่รอพรุ่งนี้เท่านั้นเนี่ยฉันจะไปกราบลาโต้โผไปเร่ร่อนตามยถากรรมผมว่าอืม่มนายใหญ่ครางออกมามันก็ต้องอย่างงั้นกันทุกคนละในายใหญ่พูดแล้วก็ถอนใจยี่เกวิกเราเนี่ยขาดทั้งพระเอกทั้งพระรองจะเล่นกันยังไงละ่ะ มันก็ต้องล้มลงเขาหยุดพูดนิดนึงแล้วก็รินเล่าส่งให้ผมแล้วก็รินของเขาด้วยอัวก็ต้องลาคุณนะแกเหมือนกันจะมาอยู่กินข้าวสุกแกได้ยังไงงานไม่มีจะทำหรือจะไปไหนล่ะกลับบ้านเหรอเขาถามคำนี้ผมสออึกใจแล้วก็สะท้อนฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันนะฉันเพิ่งหนีมาจากบ้านอ้าวทำไมล่ะฉันจากมาก็เพราะว่าคับอกด้วยเรื่องของผู้หญิงนะ่ะอ๋อเรื่องความรักสินะ ฉันก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปได้ยังไงล่ะพี่ถ้าขืนอยู่บ้านก็ต้องฆ่าตัวตายรั้นพ้นมาแล้วก็เหมือนมาพลัดเจ้าของคิดจะพึ่งพราปุ๋ยก็เกิดมาเป็นแบบนี้เข้ามันต้องสู้สิวะเรานี่ลูกผู้ชายอย่าร้องไห้เลยวะ่ะมาคิดทางข้างหน้ากันดีกว่าอัวก็กำลังคิดเร่ร่อนไปทำงานกรรมกรอยู่ที่กรุงเทพอยู่ก็เพราะรู้ว่าสนามยิงเป้าทหารเนี่ยเขากาลังตัดถนนจะมากรุงเก่าเรานี่เองแล้วอัวก็รูจักกับนายคนนึงนะ จึงคิดจะบุกไปเลิกเต้นกินรากินซะทีเขาพูดแล้วก็ดื่มเหล้าให้ฉันตามไปด้วยได้ไ้ยพี่ใหญ่ผมถามเอาดือด้อๆเขาสะดุง้งแล้วก็หันขวับมองหน้าผมหรือเอางั้นเหรอเอาสิถ้าสมัครใจก็ไปเป็นเพื่อนกันเขาพูดอย่างง่ายๆผมแทบหัวเราะด้วยความดีใจทั้งเศร้าทั้งกลุ่มมาเกือบค่อนคืนแล้วเพิ่งจะได้อบอุ่นใจก็เดี๋ยวนี้นี่เองหากแต่เกรงว่าทุกคนกาลังเศร้าจึงไม่กล้าสนุก พี่ใหญ่ก้มหน้าเข้ามากระซิบว่าจะจำนำสร้อยคอเอาเงินท่องเที่ยวไปหางานทำเราสองคนก็เลยจ้ำสุดากันเป็นการใหญ่เท่ากับฉลองว่าจะพเนจรไปด้วยกันในอูตโตโ้โผนั่งอยู่บนเตียงแสดงหน้าตาหม่นหมองด้วยคิดมากที่จะต้องพักการแสดงไปอีกนานกว่าจะหาตัวพระเอกแล้วก็พร้ารองได้การหยุดชะงักพักพวกที่รวมกันมาแต่ไหนแต่ไรจะเป็นแพรแตกทั้งเกี่ยวแก่ศพนายกัจจาง ก, ก็จะวุ่นอีกอยู่อย่างหนัก ทางตำรวจก็จะพิสูจน์สอบสวนก่อนยังต้องขนย้ายกองลิเกกลับสถานที่อีกทั้งฉากทั้งเครื่องแต่งตัวทั้งศพก็มานอนขวางก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกันอย่างไรก่อนไหนยังจะต้องไปแจ้งให้ญาติในกระจ่างทราบถึงการตายของเขาอีกที่บางประหันจาเรื่องยุ่งทั้งหมดที่เห็นเห็นนี้ก็มาเป็นเรื่องยับยั้งการพนจรของในายใหญ่หรือว่าพี่ใหญ่เพื่อนใหม่ของผมไว้ก่อน จะด่วนลาออกกระทันหันโดยไม่คิดถึงการที่เคยร่วมกินร่วมหลับนอนกันมากับโต้โผเนี่ยก็จะดูการะลายอยู่ก็เลยจําเป็นต้องช่วยเข้าไปจนกว่าจะเสร็จเรื่องนั่นเองผมจึงขอตัดความยุ่งยากนี้โดยการลัดเข้าถึงกรุงเทพเลยผมกับพี่ใหญ่ได้ทํางานขุดดินสร้างถนนที่เริ่มจากสนามยิงเป้าทหารจะดิ่งตรงเข้ากรุงเก่าของเรา<อ>นาเกื้อญาติห่างๆของพี่ใหญ่เป็นหัวหน้ากรรมกรเราสองคนได้พักแล้วก็กินกันอยู่ที่บ้านนาเกื้อ ซึ่งเดิมเป็นชาวสวนฝรั่งแล้วก็มะนาวอยู่ที่ดินของแกอยู่ใกล้กๆกับซอยพระนางเราสองคนทำงานได้ช่วยเสียค่าอาหารให้บ้างทั้งค่าอาศัยมุดหัวนอนแต่ว่านักเกื้อเนี่ยเป็นคนใจนักเลงเป็นคนเก่าในท้องที่มีเพื่อนฝูงเยอะแยะประชุมวงสุรากันแทบทุกวันเช่นพวกนายช่างโรงงานมักสันก็มากคนสับเปลี่ยนการชุมนุมกันอยู่เราสามคนนเกื้อพี่ใหญ่ผม ไปชุมนุมกับเขาที่หมู่บ้านพักของคนงานบ้างแล้วก็พวกที่มักกะสันก็มาชุมนุมกับเราที่บ้านบ้างการชุมนุมสนุกในวงสุรานี้เองทำให้ผมลืมเรื่องเศร้าเรื่องขมใจทางรักไปได้อย่างดีกลางวันออกแรงทำงานขุดดินกลางคืนสนุกชุกชุมวันไหนไปประชุมที่มักกะสันก็ดื่มน้ำตาลเมากันวันไหนดื่มที่บ้านนเกอนั่นก็ต้องดื่มเหล้ารัฐบาลเพราะว่าใกล้ถนนใหญ่การชุมนุมนี้ ใครมีอะไรก็ถือติดไม้ติดมือกันมาทำกับแกล้มไปด้วยผมสองคนพี่ใหญ่ไม่มีอะไรดีไปกวาดเป็ดพะโล้ราคาไม่แพงที่ตลาดสนามเป้าที่นั่นมีโรงเลี้ยงเป็ดของจีนเป็นแถวเลยราคาก็เลยดูถูกดีถนนมักสันสมัยนั้นนะครับคุณเปลี่ยวจริงๆนับแต่ประตูน้ำสะปะทุมตรงดิ่งมาสีแยกเข้าไปผ่านหน้าโรงพยาบาลพญาไทเมื่อยุคนั้นยังเป็นโฮเต็นพยาไท ถนนนี้พอตกค่าแล้วรถเมย์ประจําทางนก็เลิกนานๆจะมีรถส่วนตัวผ่านมาสักคันหรือไม่ก็อาจจะเป็นรถ3ล้อถีบด้วยเท้าเสียงเงียบทั้งมืดดูเป็นการตัดปล่อยการคมนาคมระหว่างกันซะจริงๆมืดค่ําใครละ่ะจะไปเดินงูก็ชุมขึ้นมาจากข้างทางที่เป็นสวนเป็นไร่คนผ่านก็มากผู้ที่จะเดินไปเดินมาได้ก็คือพวกท้องที่มีความผ่านเกเรเป็นทุนอยู่บ้างจึงเดินได้สบายเหมือนบ้านนาบ้านป่า ถนนนี้โรยหินพอเดินได้สบายกว่าทุ่งนาเรื่องมืดเรื่องเปรี่ยวไม่ใช่ของพวกเราต่อมามีนักหนังสือพิมพ์เร่ร่อนออกมาจากพระนครมาเช่าซื้อที่อยู่แถวนั้นบ้างก็เลยได้มามักคุ้นกับพวกเราเข้าก็เลยไปกันใหญ่พวกนักหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นคนใจปั้มแล้วก็มือหนักทั้งเล่าทั้งกลับสมาคมเราก็เลยคึกครื้นคลืโครมขึ้น พวกหนังสือพิมพ์เนี่ยโลดโผนมากเมาแล้วชอบเล่นอะไรแปลกๆถามกับเราว่ามีวัดที่ไหนบ้างอยากไปกวนผีปีศาจกันเล่นลองริดกันดูว่าใครจะแข็งกว่ากันพวกมักสันก็เลยเสนอขึ้นว่าอยู่ใกล้วัดตาพานเนี่ยมีป่าช้าอยู่ริมคลองก็เลยเกิดเฮโลกันยกพวกออกมาทางหลังบ้านพักพวกคนงานและพวกช่างมักสันออกผ่านสวนฝรั่งสวนน้อยหนาใครต่อใคร ครู่เดียวก็เข้าวัดตะพานไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดว่าควรเข้าไปในสุสานเลยถึงจะสนุกด้วยฤทธิ์เล่าก็เลยต่างเห็นดีเห็นงามไปด้วยกันหมดหมุนหาสุสานครั้นพบแล้วก็เห็นมีรั้วหนามกั้นอยู่มีประตูใส่กุญแจเป็นเรื่องน่าจนใจก็เลยหาทางเข้าจนได้หาไม้ค้ำลวดหนามให้ห่างแล้วอุตสาคลานลอดเข้าไปทีละคนทีละคนจนหมดคนแล้วก็เริ่มสนุกกันต่าง จริงๆผมว่านายป่าช้าเขาก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาก็ดูเงียบๆนิ่งดูอยู่เพราะไม่กล้าจะมาห้ามปรามขับไล่โดยพวกเราเนี่เมาแปรไปทั้งนั้นทั้งอากาศก็มืดเงียบก็เงีย บ, บเข้ามาห้ามดีไม่ดีพูดกับคนเมาพวกเราอาจจะสำแดงการเตะต่อยเอาพวกเราก็เลยแผลงฤทธิ์เมื่อไม่เห็นมีใครมาห้ามขึ้นเตาเผาบ้างศาราที่เขาวางลงผีไว้เกะกะขึ้นไปสำแดงเดชหมดแล้วแต่ใครจะทําอะไรให้ขบขันได้เป็นดี บางคนนะไปทำเกาะลงผีใครก็ไม่ทราบทำเป็นร้องไห้ราพันคร่าครวนถึงบางคนเกิดทำเป็นตายและพักพวกช่วยกันหามไปเข้าเตา เ, ตาเผาไม่ยั้งคิดว่าเขาจะพึ่งเผาศพใครไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่พึงคิดเอาพวกที่ทำตายวางลงแล้วก็หยิบขอเหล็กที่เอาไว้ใช้เผาศพจริงๆที่วางอยู่แถวนั้นมังัดให้ศพพลิกแล้วก็หัวเราะกันลืมความสกรปรกหมด การเล่นด้วยฤิ์เมาในที่น่าอันสะพึงกลัวแบบนี้ในายามวิการแบบนี้ผมเองไม่สมัครใจเลยแล้วก็ชักกลั ว, ก ล, วกลิ่นศพรั่วออกมาจากโรงผีบนศาลาเก็บศพก็ส่งกลิ่นมาบ้างไม่น่าสนุกกันแบบคนชนิดครึ่งคนบ้าครึ่งคนดีแบบนี้เลยแต่ผมมันเด็กกว่าเขาแล้วก็ตัวคนเดียวก็ย่อมคาดคานไม่ได้ก็ต้องตามเข้าไปสิ่งที่น่าประหลาดคือผีทั้งป่าช้าไม่ได้ทําอะไรพวกเราเลย อาจจะกลัวคนเมาหรือไม่ก็รำคาญก็เลยเฉยซะไม่สำแดงเด็ดอะไรออกมาบ้างเลยแต่ว่าในอีกครู่ใหญ่เห็นจะได้มีคนถือตะเกียงมาใสา่กุญแจรั้วสุสานแล้วมีพระเดินมาหลายองค์พวกเราจึงหยุดการแสดงลงพระท่านได้มาขอร้องว่าอย่าเล่นอะไรอย่างนี้ชาวบ้านที่เขาเป็นเจ้าของศพจะเกิดเสียใจที่พากันมารบกวนวิญญาณของผู้ที่เขารักใคร่แล้วก็เคารพบูชาอยู่ พวกเราได้สติก็นั่งยองๆ ย, ยกมือไหว้พระแล้วก็ขอโทษท่านที่เล่นระเริงเกินไปแล้วพวกเราทุกคนก็เลยบอกกับท่านว่าไม่มีความหมายอะไรหรอกที่ทําไปเนี่ยแค่นึกสนุกอยากจะเล่นกับผีดูว่าผีจะมีจริงหรือไม่พระท่านเลยขอร้องว่าอย่าทดลองอย่างนั้นในสุสานนี่เลยชาวบ้านจะติเตียนทางวัดถ้าอยากจะสนุกท่านพอมีที่ให้สนุกนะท่านชี้ให้ดูพระเจดีย์คู่2องค์ท่านว่าที่นั่นเนี่ยลองจุดตะเกียงเดินให้รอบทั้งสององค์สิ มีคนเคยลองกันแล้วนะว่าเทียนจะดับและเมื่อเทียนดับแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีใครทนอยู่ได้เลยแต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นพระท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่ได้ทราบถ้าหากว่าอยากจะสนุกก็ขอให้เล่นกันแค่นั้นเถิดอย่าเข้ามาในเขตสุสานเลยพวกเราทั้งหมดก็เลยล่าทับนั่งไหว้พระกันเป็นแถวแล้วก็ลาท่านออกจากวัดมาเดินจากตรอกตรงออกสู่ถนนใหญ่แล้วก็ต่างแยกกันกลับที่พักแห่งตัว ผมกับพี่ใหญ่นัเกือ้อกลับบ้านอาบน้ําแล้วก็นอนหลับกันสบายตื่นเช้าก็ไปทํางานหนักกันตามเคยพอตกเย็นก็ชุมนุมกันอีกที่บ้านพักมักกสันพอเมากันเต็มที่แล้วก็ชวนกันเล่นผีอย่างหน้าหม่นใส้คราวนี้ก็เตรียมเทีนยนไขกันมาหลายเล่มด้วยกันดิวเข้าวัดแล้วก็หันหน้าเข้าหาองค์พระเจดีทั้งสององค์นั้นทันทีจุดเทียนแล้วก็ลองทดสอบทีละคนบางคนเดินไม่ได้ออกเดินเทียนดับออกเดินเทียนดับ แต่ว่าบางคนก็สามารถที่จะออกเดินได้เร็วแทบจะกลายเป็นวิ่งเทียนก็ไม่ดับก็เลยเกิดเฮฮากันขึ้นใครไฟไม่ดับก็อ้างว่าผีกลัวตนพวกที่เทียนดับก็สันนิษฐานว่าอาจจะโดนช่องลมเข้าพอดีเทียนก็เลยดับไปก็เลยมีการดับบ้างไม่ดับบ้างนะเกือ้อพูดว่าข้าจะลองบ้างเว้ยสนุกดีฮะพูดแล้วก็จุดเทียนเข้าเดินรอบองค์เจดีรอบองค์แรกยังไม่เป็นไรพอเข้าองค์ที่สองนี่ผมยืนดู มันเกิดเรื่องขึ้นคือผมเห็นชัดแกตาทีเดียวมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินแซงหน้านะเกือ้อแล้วก็ก้มหน้าลงเป่าเทียนนะเกื้อดับลงผมตกใจที่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เลยตะโกนร้องจนเสียงหลงมันน่ากลัวอะไรอย่างนั้นแล้วโดดเข้าเกาะพี่ใหญ่นะเกื้อไม่รู้เรื่องก็พยายามจะจุดเทียนอีกพี่ใหญ่ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นมีผมเห็นอยู่คนเดียวผู้หญิงคนนั้นแกเป่าเทียนที่ดับ ที่ตรงนั้นก็มืดแต่ก็พอมองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเพียงนักเกื้อคนเดียวเท่านั้นจะว่าคนจริงๆเข้ามาเป่าเทียนก็ใครลักรับมันจะบุกเข้ามานุงนวกับคนเมาในยามค่าคืนที่วัดเปลี่ยวๆทั้งทางที่ตัวเองก็เป็นหญิงสาวใครๆเเข้ามาถามผมผมปากสั่นฟันกระทบกันแม่หญิงนั้นหน้าขาวซีดดับเทียนนเกื้อมันชัดกับตาแท้ ต่างอ่ำอึ้งกันไปจะเชื่อไม่เชื่อผมก็ตามมันเป็นยามค่ำคืนที่เงียบสงัดมีแต่เสียงนกกลางคืนร้องบนยอดไม้น้าเกื้อเชื่อผมพี่ใหญ่เชื่อผมก็เลยพากันกลับออกจากวัดแล้วก็แยกทางกันกลับบ้านคืนรุ่งขึ้นก็เลยงดการเล่นกับผีเพราะถือว่าเสียเริกเราสามคนก็หยุดอยู่บ้านไม่ไปที่มักกสันซะหลายคืนแต่ว่าในที่สุดพวกนั้นก็ตามมาอีกแล้วก็ เมื่อเขาเข้ามาก็เหมือนมีมนของผีเรียกให้ไปเล่นเช่นนั้นอีกผมนี่เป็นรุ่นน้องเล็กพูดอะไรขอร้องอะไรขึ้นพวกพี่ๆก็เอามือตบหัวเล่นเฮ้ยไอ้น้องชายถึงเวลาที่จะฝึกความกล้าแล้ววะ่ะมึงจะมัวแต่กลัวมันก็แยงไปเรื่อยพูดแล้วก็เอามือลูบหัวผมเล่นเป็นหัวหมาที่น่ารักผมปล่อยตามใจเขา ทิดคอนเป็นคนนำฝูงพอลัดหลังบ้านพักก็พบกับสวนฝรั่งสวนน้อยหนาข้ามท้องร่องท้องคูไปอย่างระหกระเหินโดดข้ามแล้วก็ตกร่องคลานขึ้นไปอีกแล้วก็ตกอีกเวียนวนหนะักเดินบนหลังร่องก็แย่อยู่แล้วเซน้าเซหลังเดินกันไปจนเห็นใครกลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงมีไหน้ำตาลเมากลางวงสมไฟไว้สว่างที่กลางสวนนั้นเอใครเฮมาตั้งวงอยู่ที่นี่ ทิทคอนมกสษัพูดแล้วก็โบกมือให้เราหยุดพวกในวงน้ำตาลเมาหันดูเราแล้วก็ชูมือเรียกพวกเราเอากับเขาเว้ยทิทคอนว่าพว ก, กเราก็ก้าวหน้าพะ ง, งอนชุนเข้าไปแล้วก็นั่งลงทั้งๆที่ไม่รู้จักกันเลยคิดซะว่าประเดี๋ยวก็รู้จักกันเองแหละพวกนั้นไม่ฟังเสียงพอเรานั่งเขาก็รินน้ำตาลเมาส่งให้ทิดคอนรับกาลาน้ำตาลเมามาดื่มรวดเดียวแล้วก็หมด พร้อมกับส่งกลาน้ำตาลเมาคืนให้กลุ่มคนพวกนั้นอิตอนส่งกลาคืนนี่แหละผู้รับก็เงยหน้าผู้ส่งก็เงยหน้าตรงกันเฮ้ยไอ้ตอมทิดคอนออกเสียงเหมือนตะโกนผงะหนังตาเบิกกว้างคนที่ถูกเรียกว่าไอ้ต่อมพยักหน้าแล้วยิ้มและมีเสียงใครอีกคนแซงขึ้นมาเออข้าเองข้ากลัวเองจะลาบากเข้าไปในวัดข้าก็เลยมาคอยอยู่ที่นี่ ทิดคอนหันขวับไปทางเสียงนั้นไอเมีย I น mean แล้วทิดคอนก็หงายหลังตึงลงไปผีหลอกในหมันร้องขึ้นและผุดลุกขึ้นยืนสองมือตะกายลมจะหนีพักพวกชักกระสับกระสายผมเองแทบหายเมาทะลึ่งขึ้นยืนพวกเราทั้งหมดอนละวนโอนละเวงจะอยู่กับที่ก็อยู่ไม่ได้จะไปก็บอกไม่ถูกทันใดนั่นเองพวกวงน้ําตาลเมาเหล่านั้นก็จางหายไปหมดไฟที่เห็นสุมสว่างตอนแรกบัดนี้ไม่มีเะแล้ว ที่นั่นมืดมิดคราวนี้ทุกคนก็ต้องออกวิ่งทั้งหมดที่เคยกล้าหารเข้าป่าช้ามาแล้วแต่คราวนี้ขาแข่งสัน่นทิดค่อนลุกขึ้นเตะลมดังวืดวืดมาม า, มาไอ้ตอมไอ้เมียนมึงตายแล้วมาอาราวาดกับกูมา ทิดคอนพูดออกมานั้นพักพวกก็รู้ชัดอยู่แล้วว่าไอ้ต่อมไอ้เมียนนี่คือใครเพราะไม่เคยมีใครรู้จักกับสองคนนี้เลยแต่ทิดคอนรู้จักกันก็เลยเกิดกลัวขึ้นทุกคนเตะต่อยลมกันไปแทบทุกคนที่ทําเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่ากล้าหรือว่าดุเดือดมันเป็นความกลัวล้นหัวใจก็เลยเอาความบ้าเข้าช่วยแต่มันก็ยังกลัวอยู่นั่นเองไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้แต่อาศัยการออกแรงเตะต่อยลมแล้วก็หัวใจบ้านั้น ทำให้เลือดไหลแรงขึ้นถึงได้พาตัวออกพ้นจากที่มืดในนั้นมาได้พอออกถนนใหญ่จึงตั้งสติได้ไอสัตว์ต่อมไอสัตว์เมียนไม่งหลอกกูกูเผามึงที่วัดนี้แ ท, แท้ๆแม่มึงอย่าผุดอย่าเกิดเลยน้อยหลอกกูทิดคอนโกรธไม่หายด่าทอแช่งชักหักกระดูกผมนี่กลัวจนตัวสั่นไปทั้งหมดทิดคอนพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกทีเราพากันกวนเขาถึงป่าช้า พอเขามาเล่นงานบ้างไปแช่งชักเขามันจะถูกหรือแต่ผมไม่กล้าจะพูดอะไรเพราะว่าทิดคอนเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนในกลุ่มมักกสันในกลุ่มของพวกเราทุกคนมีแต่คนสงสารผมและนะเกื้อพี่ใหญ่จะต้องเดินเปลี่ยวอีกไกลจึงเฮโลมาส่งเราสามคนพวกหนังสือพิมพ์คนหนึ่งที่ชื่อวันเขาเช่าบ้านอยู่ระหว่างกลางมักสันก็ได้แวะบ้านเรา3ามคน พอผ่านบ้านในวันเราทั้งหมดก็ส่งกันจนถึงประตูห้องเลยแล้วก็ออกเดินมาส่งเราอีกมีนักหนังสือพิมพ์อีกสองสาคนบ้านอยู่ในพระนครพวกนั้นมักสันก็จะย้อนส่งไปทางประตูน้ำขึ้นรถที่นั่นผมกลับเข้าบ้านและไม่อยากจะพูดอะไรเลยเข้าไปนอนคุมโปรงก็มีความรู้สึกเหมือนจะจับไข้คืนนั้นสรุปผมไม่ได้อาบแม้กระทั่งน้า